เทืวันที่27มีนาคม2507ณวัดสามบ้านตาจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติเบื้องต้นแม้ก่อนการปฏิบัติข้มโง่เก็ต้องมีอยู่ภายในใจด้วยกันทุกคน เพราะเรายังไม่มีต้นทุนที่ไหนจะปรากฏเป็นความฉลาดนําหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความโง่ก็ต้องมีโอกาสนำหน้าของเราอยู่ ด, ดีเมื่อความโง่เพราะความที่เรายังไม่เคยอ บ, บรมความเฉลี่ให้เป็นเครื่อนสองทางแล้วเขาที่มีนำหน้าอยู่ภายในใจก็ต้อง ถูกาปทางชีิตเป็นธรรมดาคาว่าการพึกหัดเบื้องตน้นนั่นจะต้องเป็นบทบาทหรือเป็นภาค พ, พื้นของนักปฏิบัติด้วยกันในด้านการอบรมจิตใจ ที่เคยปฏิบัติมานับแต่เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเรื่องความสนสัยสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธิจ้าทางปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลอันจะพึงได้รับนั้น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 ก่อนที่ยังไม่ได้คิดเรื่องเพื่อพระนิพานนั้นความสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สนใจแน่จะมีก็ต้องฝังอยู่ภายในจิตแต่ไม่แสดงตัวออกมาให้เจ้าตัวรู้พอได้เริ่มบวชเข้าในพระศาสนาได้ศึกษาข้ออัดขอ้อธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งก็ พุทธประวัติคือประวัติของพระพธิจักที่เสด็จออกทรงพนวตจนตรัสรู้มรรคผลนิพพานอันดับต่อมาก็ประวัติของสาวกที่ได้รักรบการศึกษาจากพระโพธิเจ้าแล้วไปบำเพ็ญเพียรในสถานที่ต่างๆแล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์ขัพยานแห่ง ส, สนธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นองค์ข้พยานของพระพุทธเจ้าได้ด้วยเมื่อได้ศึกษาโราเรียนไปถึงในยะนี้เกิดความเชื่อความร่วมใยขึ้นมาว่าอยากจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นแต่การจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้น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 สาวกอรหันทั้งหลายตรัสลูเป็นผู้บริสุทธ์ก็ดีรู้สึกจะมีความเชื่อมั่นเข้าอย่างเต็มที่ตามวิสัยของปุตุชนเหตุที่จะเป็นอุปสรรคแก่ตนเองอยู่ในระยะเริ่มต้นนี้ก็คือสงสัยปฏิปทาที่เราดำเนินไปตามท่านนี้จะถึงจุดที่ท่านถึงไม่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 ในความสงสัยของเราที่มีฝังใจอยู่น้บัดนี้ความสัตย์ที่เคยตั้งไว้ต่อตอนเองนั้นคือการสอบป ร, รียนขอให้จบเพียงสามประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้ขั้นไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาเมื่อป ร, รียนได้จบสามประโยคแล้ว จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษา เ, าเรียนและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่เป็นความสัตย์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงมุ่งเพื่อรเรียนสามประโยชน์แต่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ไม่ทราบ สอบตกจุดถึงสองอปีปีที่สามทิ้งได้นักธรรมที่ได้ยังไม่จบก็เป็นเหตุให้ได้เป็นลำดับไปเพราะสอบขัวกันพอจบพอไปถึงจังหวัดจังใหม่ก็พระเอิญท่านพระอาจารย์มั่นได้ถูกอาราธนา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 พยายามเรียนหนังสือดูที่เชียงใหม่พอสอบได้แล้วก็เข้าไปกรุงเทพถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับให้อยู่ที่นั่นเราพยายามหาหนทางที่จะออกตามคำสัต่์ของตนว่าคำสัต่์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วจะเรียนหนังสือแล้วสอบต่อบประยิบไม่ได้เด็ดขาดเพราะคำสั่์นี้ได้เคยตั้งมาคราวไหนแล้วจะไม่ยอมทำลายแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่เสียดายเท่าคำสั่งมี่ยังไงจะต้องพยายามออกให้จนได้จะไม่เสียคำสั่์ พอเวืมาทักอยู่ที่กรุงเทพแล้วท่านเจ้าคุณพรมมนีที่เป็นอาจารย์ซึ่งเวลานี้ท่านอยู่วัดภระศีมาทาดุบางเขนพระนครไปจังหวัดอุบล น, น่าจะทานก็มีโอกาสที่จะได้ปีกตัวออกจากกรุงเทพในเวลานั้น ถ้าหากว่าท่านอยู่ในเวลานั้นแล้วจะหาทางออกอยากถ้ า, ากับว่าบุญก็ช่วยตอนกลางคืนก็นั่งตัง้งสัจจิฐานเมื่อทำวัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นั่งภาวนาว่าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐาน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 แต่ถ้านิมิต ท, ที่จะเป็นไปด้วยความสมหวังในเมื่อได้ออกไปแล้วนั่นขอให้เป็นนิมิต ท, ที่แปลกประหลาดอัศาจรรย์อย่างนิ้จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปก็ไม่ปรากฏว่ามีนิมิตอะไรมาผ่านจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็นอนพอหลับลงไปทานั้นปรากฏว่าได้เหาะขึ้นไปบนอากาศ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 ตื่นขึ้นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในนิมิตยังไงก็ต้องสมหวังแน่แน่เพราะนิมิตชนิดนี้เราไม่เคยปรากฏตั้งแต่กาไนๆมาเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนี้และสมกับที่เราตั้งไว้ด้วยว่าขอให้นิมิตจะเป็นนิมิตทางภาวนานและทางฝันก็ตามแสดงเป็นความอัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งในนิมิตของเราพอันถือเสร็จแล้วก็เข้าไป ลาสมเด็จ ก, กราบลาสมเด็จมหาวีวงท่านก็พอดีบุญก็ช่วยท่านก็ยินดีให้ไปได้แต่ขอให้ไปทานงนครนากิมาไปช่วยพระธรรมอธิยานวัดสุตากินหาในการสอนจะสอนบาลีหรือเขาทำอะไ ร, รก็แล้วแต่ก็ได้กราบเยียนตอบท่านว่าก้าวก็จะไปทางนั้น แต่ไม่ได้ว่าจะไปไปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสั่งนั้นเป็นแต่เพียงกราบเรียนว่าจะไปทางนั้นท่านก็ยินดีออกมาเลยในวันหลังจากวันนั้นอะไรแล้วก็พรพักจําบรรษาที่ทา ง, ทงตลาดท่าช้างเริ่มภาวนาก่อนวิส แบบว่าในทา ง, งจิตใจเความสงบเพือกเยลียนขึ้นมาสมจิตสมใจในทางด้านความสงบแล้วท่านเจ้าคุณธมุมนีท่านก็ตามมาจยากพยายามเอากลับไปวัดพระศีมาธาตแต่ท่านไปผ่านไปจังหวัดอุบลซะก่อนแล้วกลับมา ท่านจะเอาไปพร้อมมีพอท่านให้หลังเท่านั้นก็มาจังหวัดอุดรเสียจึงได้ตามไปหาท่านพระอาจารย์มนเรื่องจิตใจที่เคยมีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่ามาเสื่อมที่บ้านตัดเพราะเหตุแห่งการทำกดหลังหนึ่งมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือน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 จำพรรษานี้ที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่ทันท่านไปจังหวัดสกลก่อนเทีนไปพักอยู่ที่น้องคายวัดทุ่งสว่างประมาณสามเดือนกว่าพอเดือนพฤษาสภาก็ไปถึงสกลนครอิส <c oughs> ามบํามเพนอยู่กับท่าน <c oughs> ก็มีแต่ความเจริญกับความเติมไม่ค่อยจะคงที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนที่เคยเป็นมา <c oughs> เรียกว่าในพรรษ า, า <c oughs> ที่จํามัน อยู่กับท่านพระอาจารย์นั้นพรรษาแรกนั้นเป็นพรรษาที่เก้าเพราะเจ็ดพรรษาออกปฏิบัติเราจำพรรษาที่นครนาสิมาพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่แปดพรรษาที่เก้าก็ไปจํากับท่านพระอาจารย์ในพรรษานั้นมีแต่ความเจริญกับส่วนทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับทางสมาธิออกพรรษาแล้วก็เปิดขึ้นบนเขา อยู่ประมาณทั้งสองเดือนกลับลงมาท่านอาจารย์มั่นแต่นั้นก็ขึ้นก็ลงอยู่ยนั้นจิตก็มีแต่เจริญกับเสื่อมเราจับพิจารณาหาสาเหตุที่เสื่อมก็ไม่ทราบมาเสื่อมเพราะเหตุไหนทั้งที่เราก็ตั้งใจอยู่บางคืนไม่นอนตลอดรุ่งก็ยัง ถ้เวลาจิตกําลังเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบมากก็ทลยัยความเปียนก็ต้องเร่งเข้ากลัวว่าจิตจะเสื่อมเหมือนอย่างที่เคยเป็มมาถึงอย่างนั้นก็ทนมาหลายข้อสูตต่อมาก็จเจริญขึ้นอีกเพราะความอุตสาพยายามแล้วก็เสื่อมได้แต่จเจริญกับเสื่อมไปถึงระดับที่เคยอยู่นั้นอยู่นั่นเสียประมาณสองสวัรและเสื่อมลงเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตา จึงมาเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจและสงสัยเครื่องความเสื่อมนี้เสื่อมได้ต้องเหตุไหนหรือจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยคําบริกรรมจะเผลอไปตอนนี้หรือตอนไหนตั้งข้อสังเกตขึ้นแล้วก็ตั้งคํามั่นสัญญาขึ้นอีกทีหนึ่งว่ายังไงเราจะต้องนําบทบริกรรมนี้กลกับกลับจิต ไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม้ที่สุดปัดกวาดจะไม่ยอมให้เกิดจากคำบยกรรมคือพุทโธนี่ชอบพุทโธเป็นคำบยกรรมทีนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไปหากว่าความสงบนั้นยังจะนึกบริกรรมพุทโธได้อยู่จะไม่ยอมปล่อยวางคำรยกรรมนั้นแล้วจิตจะเสื่อมไปได้ในทางไหนจะรู้กันในตอนนี้ตั้ง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 จะนึกพุโทโธหรือไม่พุโทโธก็ตามความรู้อ น, นั้นเป็นพุท ธ, ธะตายตัวอยู่ประจับ ก, กับใจและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนนี้หยุดคาบริกรรมพอจิตจะขยับตัวถอนขึ้นมาก็แสดงอาการกระเพื่อมนิดก็รู้จับคำบริกรรมยัดใส่เข้าไปเลยให้ติดกันอยู่กับคาบริกรรมทำอย่างนั้นทั้ง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 ไม่ให้เสื่อมนี้ก็เสื่อมไปทั้งๆที่เราอยากไม่ให้เสื่อมบันนี้ความเสื่อมนึกความเจริญนั้นเราทอดทุลักเทียให้จิตมีความสัมพันธ์อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นถ้าเสื่อมกับเจริญเราจะรู้อยู่ขณะในขณะจิตขน อ, องเราเท่านีา้จะให้เห็นกันที่นี่รู้กันที่นี่แต่ตั้งความมั่นคงของใจเข้าสู่ทิ่นมั่นใจอยู่ที่นี่ทั้งเดียวเสื่อมกับเจริญไม่สูงไม่ไปสนใจต่อมาจิตที่มีความเจริญเช่นนั้น เป็นลำดับอันมากก็เลยไม่เสื่อมเป็นเหตุให้รู้อีกทีหนึ่งว่าอ๋อเรื่องที่เคยเสื่อมนั่นเสื่อมเพราะว่าเราขาดคำมวยกรรมแล้วเป็นการเผลอสติไปในระยะนันนั น, นจึงเป็นเหตุให้จิตเสื่อมได้ น, ะะนั่นะะยนั้นต่างนั้นก็ตั้งคำมวยกรรมเป็นนำนัภไยไหนไม่ยอมให้เผลออ่เป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากคํับพุโธจะเสื่อมไปไหนให้รู้กัน จากานั้นแล้วก็เป็ น, นพรรษาที่สองก่อนจะเข้ า, าพรรษานั้นผิดก็รู้สึกว่าแนบสนิทในทางสมธิความเสื่อมไม่ปรากฏแต่คำบริกรรมไม่ยอมลดลกถึงกับนั่งสมาภาวนาได้จนตลอดลุ่มนั่งบางวันยังไม่ยังยังไม่มึนตลอด บางวันถึงเกือบเวลาบินทมาทถึงได้ออกจากที่นี่ก็เป็นอันมาและเพิ่มกาลังขึ้นเป็ น, น, ำนกำลังเรื่องจะไปรู้เรื่องของเวทนาว่ามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนนั้นไปรู้กันในระยะที่นั่งตลอดลุง่งถาเรื่องเวทนาที่แสดงในคืนหนึ่งคืนหนึ่งจนกว่าจะถึงลุ่งเช้านั้น เป็นเมตนาที่สําคัญและแปลกประหลาดหลายอย่างภายในร่างกายของเราอันนี้เรื่องของปัญญาที่จะวิาพากษ์วิจารพินิจฉนาเป็นการต่อสู้กับเมทนาก็ทำงานไม่ลดนะจนสามารถเข้าใจได้ในเรื่องเมทนาทั้งเมทนาส่วนใหญ่ของร่างกายทั้งเมทนาส่วนละเอียดของร่างกาย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 ร่างกายนี้เป็นหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมโนภาพขึ้นภายในใจเป็นการฝึกซ้อมความชำนาญของภาพที่ปรากฏภายในกายนี้ถึงกับว่ากายที่ปรากฏเป็นร่างอย่างนี้กลายเป็นภาพภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้เลยนี่เรียกว่าเป็นนิมิติภายในใจนี่ว่างจากกาย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 เรียกตั้งขึ้นก็ อ, อยู่เป็นเวลานานๆแล้วดับไปต่อมาเพราะความฝึกซ้อมของจิตมีความชํานาญในทางปัญญาภาพคือนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายในใจโดยเฉพาะก็สลายตัวไปเมื่อนิมิตภายในใจสลายตัวไปแล้วด้วยและนิมิตส่วนกายภายนอกนี่ก็สลายไปก่อนหน้ากันนี้แล้วด้วย นั่นท่านเรียกว่าจิตว่างนี่ว่างเป็นเป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิตที่มีภูมิแห่งธรรมถึงขั้นจนความว่างของแกตัอเองนี่ไม่ใช่ว่างสมาธิไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่างของสมาธิ และจิตที่มีความปล่อยวางในส่วนแห่งร่างกายด้วยและสามารถรู้เท่าทันแห่งส่วนแห่งร่างกายด้วยส่วนปัญญาก็มีความเชียวชาญสามารถจะวิาพากษ์วิจาร์ส่วนแห่งร่างกายนี้ให้แตกสลายลงได้ตามความต้องการและรวดเวดียวด้วยจนถึงขั้นมาตุงภาพแห่งกายนี้ขึ้นเช่นเดียวกับฝ้าแลบพอตั้งเป็นภาพพับดับไปในขณะเดียวนั้นเลย นีท่านเทพมาเรื่องของปัญญาที่มีความลอดเยียมกายทั้งหมดเลยเป็นเรื่องว่างไปหมดทั้งๆั ท, งที่กายของเรายังมีอยู่ภาพภ า, ายนอกที่ตั้งขึ้นก็ดับไปในทันทีต่อจากนั้นจะเป็นเหมือนกับผ้าแมบท่านพอตั้งพับกระนี้ขึ้นมาดับทันทีดับทันทีนี่ มีว่างตามฐานะของจิตที่อยู่ในขั้นว่าง น, นี้ว่างตามภูมิของจิตที่ผ่านด้านมัตถุมาเลี่มีความว่างอย่างนี้เป็นประจำทีนี้ความว่างนั้นถ้าว่างชนนี้ว่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานของผู้นั้นของขัง้นจิตขั้นนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นนิพพานของพระพุทธเจ้า ถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างในขณะที่จิตลงสมาธิก็เป็นนิพพานของสมาธิแห่งโยคาวาจรผู้ปฏิบัติคนนั้นถ้ามาถึงขั้นว่างที่จิตเต้พลากจากส่วนแห่งด้านวัตถุมีกายของตนเป็นต้นทรงตัวความว่างไว้อย่างนี้ก็เป็นขั้นว่างของนักปฏิบัติคนนี้ของภูมิกิตของผู้ปฏิบัติคนนี้แต่ไม่ใช่เป็นความว่างของพระนิพพาน ครากุศลจจังข้หตุใดจิตที่มีความว่างในลักษณะนี้และในภูมิของจิตเช่นนี้จะต้องมีความดูดดื่มหรือติดพันธ์หรือติดใจในความว่างนี้เป็นอารมณ์ของใจอยู่เสมอจิตไม่มีที่ยึดที่หมาย ในด้านวัตถุภายนอกแต่ก็ถือเอาความมั่งเป็นอารมณ์ของจัตย์มีความยินดีในความมากของตนโดยเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเมื่อเป็นฉะนั้นความมัางประเภทนี้จะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าจะเป็นนิพพานก็จัดว่าเป็นนิพพานของของภูมนินิเสียทีนี้การฝึกซ้อมทางด้านเวทนา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 ต้องอาศัยความเกิดความดับของเวทนาทั้งสามนี้ด้วยอาศัยความเกิดความดับของสัญญาที่จําได้หมายรู้นั้นด้วยอาศัยความเกิดความดับของสังขารความปรุงของใจนั้นด้วยอาศัยวิญญาณความรับรู้ที่มีสิทธมาสัมผัสนั้นด้วยเป็นเครื่องฝึกซ้อมปัญญาว่าสภาพทั้งสีน่นี้เรื่องของรู ป, ปรกายมีลักษณะเช่นไหนสภาพทั้งสี่นี้จะต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกับ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 การพิจารณาสังขารหรือ ส, สัญญาก็ดีแล้แต่เจริญจะชอบในอาการแห่งคํามส่วนใดในานามธรรมทั้งสีนี้เป็นการฝึกซ้อมความเกิดความดับของอาการเหล่านี้โดยทางปัญญาจนปัญญามีความสามารถเกี่ยวกับสามารถจะพิจารณาลงถึงฐานของอาการทั้งสีน่นว่าเกิดขึ้นมาจากไหน สิ่งไหนเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องมีการสลายไปเรียบว่าอนิจจังไปจำาิ่งแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนในสภาวะนี้มันก็ต้องเป็นตรารักษ์อยู่โดยดิในหลักธรรมชาติของอาการทั้งสี่มีเรื่องของปัญญาย้อนกลับไปกลับมาแต่ใจที่มีความบ้างต่อตอนเองนี้จะทรงไวซึ่งความอัศจรรย์หลายระเภทหรือหลายอย่าง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 คนกลับไปกลับมาแยกหน้าแยกหลังอยู่เช่นนั้นเพราะงานชิ้นใดไม่มีจะเป็นความํำคัญยิ่งกว่าการขุดค้นลากฐานของสภาวธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างจากนั้นแล้วก็จะไปเกิดความสนใจในธรรมชาติที่เคยเห็นว่ามีความผ่องใส ความองอาจกล้าหารว่ามีอะไรแฝงอยู่ภายในกันเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนี้แล้วก็พิจนารณาด้วยปัญญาอีกทีนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทำลายธรรมชาติที่จอมปลอมอันละเอียดที่สุด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 ที่มีความผ่ององอาจกาหารและผ่องใสยอย่างเต็มที่ได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นเป็นความว่างอันหนั่นิมิตเครื่องหมายใดๆจะไม่ปรากฏนับแต่ขณะที่ก้อนแห่งมะตะัตตคือความผ่องใสนั้นได้สลายตัวลงไปความว่างอย่างเต็มที่จะปรากฏดูนั่นตั้งแต่การไหนๆมาที่ความว่างที่ว่า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 เป็นอาการลิกูอยู่ตลอดการความว้างในสมาธิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความว่างในขั้นอรู ป, ปรธรรมซึ่งกำลังเป็นทางเดินก็แปลสภาพหรือผ่านไปได้แต่ความว้างในตนเองโดยเฉพาะนีแล้วไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหน เพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างนะั้นและไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตนอีกด้วยนอกจากจะเป็นยถาภูตังยานทัศนังเห็นตามเป็นจริงแห่งความว่างนะั้นโดยชัดเจนแจ่แจ่ในหลักธรรมชาติและเห็นตามเปจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นลำดับลำดับแม่ที่สุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทำเครื่องแก้ไข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 และพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปให้เป็นความว่างในบางตนคือสมาธิที่ได้ทําหน้าที่เข้าไปจนถึงความสงบแล้วเป็นความว่างอยู่โดยเฉพาะเนีนพยพยามบําเพ็ญตนเข้าไปถึงความว่างของจิตที่ผ่านพ้นจากรูปธรรมรู ป, ปรกายหรือด้านวัตถุไปหมดแล้วนี่ยแล้พยายามทําจิตของตนให้ผ่านให้ล ะ, ล ะ, ละหรือปล่อยวางจากรูปเวทนาสัญญาทังขามอย่างและ หรือลกแห่งสมมติทั้งหลายคือวิชานั่นหนึ่งจากนั้นไปแล้วจะเป็นความว่างโดยหลักธรรมชาติและไม่มีผู้ใดเข้าไปปักปันเกียบแดนเอาได้อีกต่อไปการแสดงธรรมเมื่อแสดงขเข้ามาถึงจุด น, นี้แล้ว ก็ไม่ทราบว่าจะแสดงต่ออะไรต่อไปเพราะผู้แสดงนั้นมีความสามารถจะแสดงให้ฟังเท่าที่แสดงม า, ามีธรรมนอกจากนั้นไม่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะแสดงจึงขอฝากธรรมะนี้ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใค่ต่อธรรมะคาสอนของพระเจ้าประพิจารณาตามสติกาลังความสามารถของตนเอง จนตาปวดความว่างทั้งสามประการนี้ขึ้นประจักษ์ใจทั้งหลาเรื่องความสงสัยในตนเองความสงสัยในความว่างทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็เป็นเรื่องทิ่เราจะตัดสินหรือแจมแจ้งในเราเองท่านั้นในภาษาอแหกฤการแสดงธรรมเริ่มตั้งแต่กิจ เบื้องต้นทีว่าจะแสดงเรื่องความงโง่ให้บรรดาท่านผู้ฟังตั้งหลายนาจนถึงจุดนี้แล้วก็เห็นมาสมควรเจเวแล้วจึงขอยุติธรรมเทศนาเสียงเท่านี้เอง